ความเจริญในธรรมยังมีแต่ท่านผู้ฟังทัางหายแต่หลวงปโปติยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาสังกปะคือความดำริชอบก็พูดมาครบทั้งสามข้อแต่ว่ามันมีธรรมะข้ออื่นซึ่งเชื่อมโยงกันอยู่ราะในความเป็นอัปยาปาดาสังกปะนั้นก็คือเมตตาจิตนั่นเอง เมตตาแล้วก็การุณาคืออวิิงสาสังกปะก็คือการุณาก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์แต่หมายความว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องยอมรับนับถือสิทธิเสรีภาพของกันและกันเมตตาจิตก็จะเกิดขึ้นแต่จะจะให้เกิดเป็นการุณาเนี่ยต้องรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มันก็คือยอมรับนับถือว่าเราแล้วก็พวกของเราหรือเพื่อนของเราเวลาความทุกเกิดขึ้นแก่คนซึ่งเรารักเนี่ยมันจะเกิดกรุณาขึ้นมาได้เพราะถ้าทํามาอย่างนั้นจิตจะถูกขวางขวางไว้ด้วยความเบียดเบียนหรือบางทีก็ตื่นสนกก็เป็นความตกใจคือความสุก บ, บางครัง้งบางคราวเนี่ยคนทําอะไรไม่ถูก เวลาคนที่ตนรักประสบปัญหาน่าจะช่วยได้เลยก็ช่วยไม่ได้เราก็เห็นธรรมะที่มันแฝงอยู่คือต้องเป็นหลักกํากับใจคือสติสัมปชัญญะแม้เราจะมีเมตตามีกรุณาแต่โราาสติสมัมปญญาก็ตั้งหลักไม่ได้เหมือนกันเพราะการุณาจึงมองไปในการบําบัดทุกข์ก็เรียกว่าสัตว์ที่มีทุกข์เป็นอารมณ์ ยังไงแต่ามาชุดนี้เราก็คุ้มคุณกันดูก็น่าจะเดินมาให้ครบทั้งสี่ข้อเึิมาถึงมุติตาอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเรามองเขาด้วยความเป็นมิตรเนี่ยเมื่อเขาประสบความสำเร็จประสบความเจริญก้าวหน้ารอดพ้นจากทุกภัยโรคเนี่ยเราจะเกิดมุติตาได้ไง่ายแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะมีปัญหาเพราะว่า กสุดที่ตรงกันข้ามกับมุติตาแล้วก็ขยับเขยื่อนไปยากที่สุดคือฤิธิยาอย่างที่บอกไว้มันส่วนมากมักจะมาล้าหน้ามาก่อนเห็นใครดีใครเด่นใครดังขึ้นมามันจะออกมาเป็นฤิษยาไปเสียก่อนและบางครั้งมันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นเราก็มีความรู้สึกเป็นมิตรกับเขานี่แหละ แต่ว่าพลังของเมตตาเองไม่เข้มแข็งพอเขาเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้รับความสุขเนี่ยเราก็อยากจะมีส่วนร่วมคือมีส่วนแบ่งเช่นเขาได้ยศเราไม่ได้เราก็ขอเขาเลี้ยงฉลองยศเขาได้ลาบเราก็ขอมีส่วนแบ่งเราได้รับการสันเสริญ แต่เราทำใจได้เนี่ยมันก็ได้ถ้าไม่ได้เราก็อาจจะขอเขาเลี้ยงอะไรต่างๆเขาเรียกว่าอุนยะคือขอมีส่วนร่วมมีส่วนแบ่งวาลกษณะของมุทิตาจิตเนี่ยมันจึงต้องเกิดขึ้นจากรู้สึกชื่นชมยินดีในการที่คนซึ่งเราเมตตาหรือการุณานะคือเมตตาได้ก็การุณาได้นะแล้วก็มุทิตาเราเกิดขึ้นมาได้ รู้สึกชื่นชมยินดีที่เขาประสบความสมเาเร็จเจริญโดยราบยศสรรนสนุสถึงดับปกติแล้วถ้าเราขาดเมตตาจิตนี่เราจะริสยาดังกล่าวเมื่อเรามีเมตตาจิตหนักแน่นมั่นคงพอเราก็เกิดมุติตาคือพอชื่นชมยินดีในความจเจริญก้าวหน้าของเขาแล้วก็ภายในจิตนั้นไม่มีริษยา ซึ่งไม่ใช่เรื่องทําง่ายนะฮะพราวอย่างน้อยที่สุดแต่แม่แต่ใหม่ในหมู่พี่น้องด้วยกัารเรานึกไม่ออกเราเคยรู้จักพี่น้องคู่หนึ่งแล้วปรากฏว่าพ่อได้มอบมรดกให้คนหนึ่งมากกว่าเนี่ยคนน้องมีความรู้สึกเหมือนกันนะคนหนึ่งมีความรู้สึกเหมือนกันแต่แม่จะไม่มากน นั่นคแสดงไห้เห็นว่ายิตนี่มันระหว่างยากเพราะการถ่วงของกิเลสเนี่ยมันเราก็ไม่รู้มันแรงขนาดไหนคือบางทีงไม่เจอเหตุการณ์เราก็ดูไม่ออกเป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบดูจิตของเราเองเวลาเห็นคนอื่นเขาได้ลาบยศสั้เสริอสุข น, น, นะฮะว่าเราโมทิตาชื่นชมยินดีกับการได้ดีของเขาหรือไม่ บางครั้งบางคราวนี่เรายอมจำนวนนะแต่ก็แต่แต่อย่างงั้นแต่อย่างนี้นแต่อย่างโน้ น, นเราลองสังเกตนะฮะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันมันหลงประเด็นเคยมาลองสังเกตสังเกตเอ่อพวกนักการเมืองสามสี่คนนะฮะที่เราสังเกตเนี่ยเวลาเขาทําใจยอมรับไม่ได้เวลาเขาประสบความเจริญก้าวหน้าอย่เช่นว่าคุณสมัครเนี่ย ก็ไม่รู้จะว่าอะไรแกนะก็หาว่าจะหมูกชุมพูคุณบรรหารก็เหมือนกันพอเป็นนายกก็เรียกว่าห้าสั้นพอคุณชวนนิลามปามเลยคุณชวนเชื่องช้าคุณชวนอะไรลูกแม่ท้วนเนี่ยขึ้นคืนไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับการถูกการผิดกันสามารถไม่สามารถกันเป็นนายกเป็นผู้ว่าอะไรต่ออะไรบางท่านเหล่านั้น เดี๋ยวใจมันไม่ยอมไม่ยอมก็เลยหาทางริดรอนให้มันดีน้อยลงหน่อยนี่คือกลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบางทีเนี่ยมันไปไปปนอยู่กับความความยุติธรรมนะเช่นสมมติว่าพระเลื่อนสมณศักดิ์เร็วอย่างเงี้ยเร็วผิดปกติ เออถ้าท่านมีความรู้ความสามารถมีผลงานดีเด่นนะอย่างอย่างคุณทาบิดดกนี้ขึ้นไปเถอะคนก็ชื่นชมยินดีนะฮะแต่บางคนมันขึ้นมาได้ยังไงวะมันไม่เห็นมีความรู้ความสามารถมีผลงานมีผีมืออะไรมันขึ้นมาได้ยังไงไอตรงเนี้ยทำให้ใจมันรับไม่ได้มันไม่ใช่ถึงการิษยาแต่ว่าไปมองในแง่ของความเป็นธรรมแง่ของความยุติธรรม แต่ถ้าเรามองเรื่องราวเหล่านี้แม้แต่สังคมระดับโลกนะเราลองสังเกตว่าประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยมันถึงยุคของทายาทเลยประวัติประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ปัจจุบันอารโยเนี่ยมันก็เป็นลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีมาขับกันแล้วก็ลองประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งมีข่าวจะได้เป็นประธานาธิบดีี่ นั่นคือลูกของอดีปรธานาทิบดิสุกานุเพราะในแนวความคิดแนวนีมน้มันมันถึงจุดหนึ่งคล้ายคล้ายกระสืบสันติตวงศ์ไปเลยเอาประธานามดียอดบูธยอดตบนยูบูบเนี่ยฮะมันก็เป็นลูกของยอดบูธบูธซีเนี่ยอันนี้คือคือคื อ, อแสดงให้เห็นทถึงแนวอย่างหนึ่ง คือบางทีเนี่ยมันมีความชัดเจนว่าเขาเหมาะสมหรือบางอย่างเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนเหมือนกันว่าเป็นอคติเช่นว่าเป็นลูกน้องใกล้ชิดผู้ใหญ่เป็นเลขาผู้ใหญ่เป็นรัติภิกรมผู้ใหญ่เนี่ยพอลุ้นกันขึ้นไปตรงนี้ไม่ใช่มองด้วยความริษยา ที่เขาวิภาควิจารณ์เนี่ยแต่เ้ามองเพื่อความเป็นธรรมความยุติธรรมแต่ทีนี้ถ้าถามว่าท่านผูนั้นและท่านโดดเด่นเป็นเอกมีความรู้ความสามารถสูงนะเป็นแก้วนะเป็นเพชรในวงการเราก็อยากให้คนดีเขาดขเด่นนะอยากให้เขาขึ้นไ ป, ปนได้เร็วๆแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปรู้จักอะไรมักจีอะไรเขาไม่จําเป็นจะต้องได้ประโยชน์อะไรเขา เพราะจิตตรงนี้จึงไม่ใช่จิตธรรมดาเพราะว่ามันไม่ต้องการมีส่วนร่วมที่เรียกว่าอุนญาติอยู่ด้วยเป็นมุติตาจริงๆเลยชื่นชมยินดีจริงๆเขาเจริญรุ่งเรืองเพราะแนวมุติตาเนี่ยท่านถึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอย่าได้ปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิดเกิเขาเจริ่นรุ่งเรืองอยู่ในลาบยศเสริญสุกโดยเราไม่จําเป็นต้องได้อะไรแต่เราต้องการเห็น ต้องการแสดงมุทิตาจิตคือชื่นชมกับเขาองค์นิยสยามันจึงจึงจึงไม่มีแล้วก็ไม่มีแน่อุนยะนะเราจะเห็นว่ามีอันกำจัดความไม่ยินดีเป็นผลคือหมายความว่าตามปกติแล้วเวลาเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยมันจะเกิดไม่ยินดีมันไม่ถึงนิษ ย, ยาหรอกเครียอารติมันมีอาการโทสะนิดๆ น, นะ เกกัลติคือไม่ยิน ด, ดีแต่นี้มันขจัดได้หมดคือไม่ยินดีก็ไม่ดีมีแต่ยินดีเห็น ไ, ไหมก็หมายความว่าโทสะนี่มันจางลงไปคลายลงไปเพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากเราเมตตาคืออภิาบาลเนี่ยได้แก่ไ ม, ไไม่ได้แก่เมตาตาเด่นงทีนี้เมื่อเราผ่านถึงขนาดการุณาได้เนี่ย ก็แสดงว่าพอเขาจเจริญติกโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มุติตาได้แบบสะดวกสะดวกใจไม่สะดุดแล้วก็ไม่ต้องการจะมีส่วนร่วมมีส่วนแบ่งอะไรตรงนี้ค่อนข้างทำยากนะฮะแต่ว่าจะต้องพยายามฝึกแล้วก็ดูจิตตัวเองคือคือยังนึกว่าโลกเราเนี่ยถ้าจิตมันเดินไปบนกระแสของพรหมหารทั้งสี่นะ แล้วก็มีพลานุภาพมากพอเมตามีพลานุภาพในการขจัดพยาบาทในการขจัดการมรรคะกรุณามีอนุภาพในการขจัดวิหิงสาในการขจัดโซกะคือความสุขและมุทิตาก็มีกำลังมากพอที่จะขจัดความริษยาและก็การต้องการมีส่วนร่วมหรือความไม่ยินดีออกไป ทีนี้ถ้าหากว่าทำไม่ได้ล่ะทำไม่ได้ก็อุเบกขาคืออย่าไปอาศัยความดีของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของตัวเองอย่างข้อที่น่าสังเกตในปัจจุบันและที่จริงไม่ใช่าปัจจุบันนะธรรมชาติสัตว์โลกก็เป็นอย่างนั้นเวลาเขาทำชั่วเนี่ยไปซ้ำเติมเขาเขอโดยสารทำชั่วด้วยนะ เวลาเขาทำดีนยฮะมันน่าจะขอโดยสารทำดีไปไม่ได้เพราะใจมันถูกริษยาขวางไว้มีความไม่ยินดีขวางไว้แต่ว่าไปบั่นร อ, อะไรเขาไม่ได้ออกมาในรูปของขอต่อรองนะฮะอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ขอว่าจมูกหน่อยก็แตะจมูกหน่อยก็แตะรูปร่างหน่อยไม่เกี่ยวอะไรเล ย, เลย แต่ว่าคนเนี่ยมันรู้สึกว่าได้ลดความดีงามของคนเหล่านั้นลงมาแล้วก็พอใจที่จะทำเช่นนั้นทอปนปัญหาในด้านสุขภาพจิตของมนุษย์เร า, เราคือหนึ่งอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของตัวเองอันนี้เยอะมากแล้วบางทีเนี่ยเราทำเร็เวกว่าเขาแรงกว่าเขานะ อย่างเนี้ยอย่างการณีของอคุณอะไรพักดีพรเนี่ยนะฮวันก่อนมีสกู๊ปข่าวไปวิเคราะห์ถึงเด็กชายอะไรสุรบดปื้มนะฮะน้องปลื้มเนี่ยอย่านึกว่าโอ้โหเด็กขนาดนั้น น, นนะจะเอาอะไรกแกล่ะเออแกโทรมนับแกเสียใจแม่แก ถ, ถูกรังแกแกรู้สึกแกอยู่ในเหตุการณ์แกรู้อะไรเป็นอะไรอะ คือการมองปัญหาอย่างนี้ยังชอบอายการสูงสุดท่านหนึ่งที่ท่านพูดถึงหมออะไรอ่ะ ท, ที่เรื่องว่าทุกหาว่ฆ่าพันญาเนี่ยหรือท่าบอกว่าถ้าลูกเนี่ยเขารู้ว่าพ่อเขาฆ่าแม่เนี่ยลูกเขาไม่อยู่ด้วยหรอกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขารู้อะไรเป็นอะไระทําไมเขาไม่มีปฏิกิริยาล่ะและคือสิ่งที่เราจะต้องมองเผื่อเหมือนกัน แต่ว่าใจของคนนี่มันทําได้ยากเพรา ะ, ะเรามักจะออกมาในรูปลามปลาล์มเอาสมมุติว่าเขาจะทุกปีอะไรเด็กบ้างเน่นะซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรอะกูปกครองมันก็เคียนตีนกันธรรมดาเราก็เคยถูกเคียนจะไม่เห็นแปลกอะไรแต่ว่าเราลงข่าวอะไรเล่นข่าวกันเกินขนาดไป นั้นก็คืออะไรก็คือว่ามันออกมาจากวิหิงสาแสดงว่าทำใจไม่ได้ทีนี้ประมุติตาเนี่ยยิ่งทายากนะเพราะว่ามันถ้าเมื่อตาเราไม่แข็งพอวิทยาเนี่ยมันมาเร็วพอวิษยามันเป็นโลภในสิ่งที่เขาได้เป็นโกรธในตัวที่คนคนซึ่งได้ แล้วก็เป็นหลงในประเด็นของชีวิตในประดงหลงในประเด็นของเหตุผลว่าสมมติว่าเขาไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ได้เจนว่าเขายกย่องอะไรแต่ไรกันเนี่ยยกย่องกันอย่างอาตมานี่รับผิดชอบในเรื่องเสาเซมาธรรมจักมาตั้งแต่2 5งา2 7เนี่ยนะแต่ในฐานะที่เป็นเลขาธิการ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและตัวประสานงานในการจัดงานสัปดาหส่งเสริมพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สองเจ็ดเนี่ยจะมาจะไม่ยุ่งเกี่ยวในกรรมการที่เป็นอนุกรรมการคือศึกษารายละเอียดเนี่ยจะไม่ยุ่งจะไม่ยอมรับรู้และจะไม่เสนอผ่านตัวเองแล้วก็ไปฟังชาติที่อนุกรรมการแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาเสนอมาเราก็อ่านยาบทสรุปของเขาเ่ะ แล้วก็ตามปกติแล้วก็จะไม่ไปเสนอตัดอะไรตๆนะอย่างนั้นเนี่ยทุกด่าทุกปีนะี่คนก็ด่าจะมาทุกปีจนกรรมการมาโอมนมาเกี่ยวอะไรกับท่านนะ่่ะแตเราไม่รู้เรื่องเลยนะามาไม่รู้เรื่องจริงๆนะแต่เราก็นี่มันอยู่กับสังคมแล้วก็เป็นอย่างงั้นได้ไป็นดีๆไม่ได้นะเอาคนที่ได้คนหนึ่งก็ว่าเขาไม่ดีอ้าวเราก็กรรมการเนี่ยเขาให้ไปตามข้อมูลนะนะะ คือมันเสนอมาถูกต้องตามระบบราชการตามกฎเกณฑ์ที่วางเอาไว้โรยกย่องใายเขาจรงนี้จึงเป็นด่านที่ทะลุทะลวงไปได้ยากนะเพราะว่าโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหก็ดีนั่นเป็นรากงาวของกิเลสแล้วริษยาเนี่ยเป็นกิเลสร่วมนะลองสังเกตว่ามีทั้งโลภะโทสะโมหะ แล้วจนออกมาในเนี่ยอุณยะก็เป็นอาการของโลภะคือต้องการจะได้แล้วก็มีเห็นสมบัติที่คนอื่นได้ลาภยอสันเสริญนะฮะลาภยอดสันเสริญนะที่คนอื่นเขาได้เนี่ยแล้วเรารู้สึกชื่นชมยินดีกับเขาอนุโมทนากับเขาจิตใจสบายแจ่มใสพล ม, มุทิตาเนี่ยก็คืออนุอนโมทนานั่นเองฮมันมาจากธาดเดียวกัน ก็ เ, เรียกว่าเป็นมุดธาตในความรื่นเริงมุดธาตในความรื่นเริงคือภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีธาับจิจใจเรารู้สึกรื่นเริงบันเทิงใจที่เห็นคนอื่นก็ได้ดีได้ได้ดีได้ดีเนี่ยนะครับ เวลาเขาได้ความทุกข์เราก็เกิดกรุณาเวลาเขาได้รับความสุขเราเกิดมุทิตาในสถานการณ์ทั่วไปเรามีเมตตาอย่างเงี้ยสุขภาพจิตดีตลอดสุขภาพจิตเราไม่มีปัญหาอะไรเพราะแนวตัวนี้เราลองสังเกตว่าเยาวันก่อนนี่คือคนไม่รู้จักกันหรอกฮแต่ว่ามีคนเขานำไปให้รู้จัก แล้วพอดีมาไปปาตกรถาที่วัดพระรามเก้าแล้วก็เข้าไปแอบฟังอยู่ด้วยเขาก็มาแสดงความรู้สึกว่าทรัพยากรอย่างหลวงพ่อในี่ต้องรักษาไว้แล้วก็รับอาสาดูแลนะฮะตอนเนี้ยดูแลเกี่ยวกับสุขภาพพระนามัยเราก็เออเขาทำใจได้ขนาดนี้เราก็อนุโมทนาเขาแล้วก็ท่านท่านทั้งหมดเหล่านี้จนทุกวันเนี่ยไม่รู้จักชื่อนะฮะ ทุกวันยังไม่รู้จักชื่อเลยนั่นก็แสดงว่าโดยพุ่นจิตที่เขามองพระเป็นภา พ, พรวมแล้วก็มีความชื่นชมในเรื่องบางเรื่องนะฮะก็แล้วแต่ว่าเขาจะรู้สึกเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้อาจจะมองที่ตัวการงานหรืออะไรต่างๆก็ได้เพราะว่าส่วนตัวก็ไม่รู้จักกันแล้วจนทุกวันนะยังยังไม่รู้จักชื่อก็ก็ไม่อยากถามชื่อคน มันเป็นการแสดงใจน้ำใจที่มีต่อกันเพรามุติตาเนี่ยมันมันเดินมาได้แล้วก็สมมติว่านะฮะในกรณีที่เราทำไม่ได้เช่นเตอนนี้ไมตามันเกิดไม่ได้เพราะว่าความโกรธมันแรงต้องหลบะต้องหลบเข้าไปอยู่ที่อุเบกขาคือถือว่าเป็นไปตามกรรม กาไดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปเราไม่เข้าไปก้าวกายไปวุ่นวายอะไรกับเขาหรือว่าบางทีการุณาเนี่ยไม่กรรมกรรมังไม่มากพอมันเกิดรู้สึกรษะใจอะไรอยู่ลึกๆอันนี้เป็นโทษพอทําทใจเขาอยู่เบขาเบขามือก็ร่มเนี่ย คือธรรมะปฏิบัติในหลักความความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่แกว่งออกไปในทางอากุศลเพราะอุเบขามันเป็นอาการปัญญาพิจารณาเห็นเพ่งดูอุเบขาอุปาอิขะคือเพ่งดูเพ่งดูว่ามันเป็นกระบวนการของกรรมคือเป็นไปตามกรรมเขาเราก็ไม่ ไม่สามารถจะทําใจเราได้ก็คือเรียกว่าทํำยังไงว่าหนึ่งอย่าอาศัยความความชั่วของเขาเป็นเครื่องมือในการทําชั่วของเราสองทำยังไงอย่าอาศัยความชั่วของเขาเป็นเครื่องมือในการหยุดทําความดีของเราอันนี้เยอะนะบางคนบางคนได้ข่าวพระแล้วไม่อยอมเข้าว้านเลยพระที่ไหนก็ไม่รู้อย่างสมัยนิกรเนี่ยยังยังเคยเจอนะ โยมก็เลิกทำบุญตักบาตรถามว่าทำไมเลิกทำบุญเลิกตักบาตรแต่ละโยมก็บอกว่าไม่พอใจพระถามมาพระอะไรพระนิกรยโยมรู้จักหรือเปล่าพระนิกรไม่รู้จักอยู่ที่ไหนล่ะเขาว่าอยู่เชียงใหม่อ้าวแล้วตอนที่ท่านทำดีท่านมีความสามารถทำอะไรประโยชน์กัศาสนาเยอะไหมโยมได้มีส่วนร่วมเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้ร่วมอ้าว แต่ทําไมมาร่วบกับเขาตอนที่เขาทําเขาถูกกล่าวหานะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ว่าเขาทําผิดเราถูกกล่าวหามาทําผิดเนี่ยแต่เราทําผิดแตก่อนแล้วนะเ ข, เขาเขาเพิ่งถูกกล่าวหาแต่เราการะโดดเข้าไปทําผิดเลยไปดา่าไปชี้หน้าด่าประจานเวลานี้คื อ, ค, อคือคนนี้แรงมากอันมาอย่างนึกเลยไปนะว่าเวลาเนี้ที่จริงมันมีในประสูติศาสร์ว่าบ้านเมืองเราทําไมไม่กดปกติได้ คือบาปกรรมของสังคมอย่างหนึ่งเนี่ยคือด่าว่าสมณะชีพราบชอบเบียดเบียนพระสงฆ์ชอบด่าว่าพระสงฆ์ชอบซ้าเติมพระสงฆ์ไม่น่าเชื่อนะเจ้าพุทธแท้ปนระากาศตัวเป็นเจ้าพุทธจะชอบซ้ําเติมแล้วก็ดา่าหน้าเฉยตัวเฉยบาง ท, ทีก็เจอบัตสนเทศอะไรแต่แปลกนะนั่นคืออะไรคือว่ามันเข้าใจในกดของกรรม คนเราถ้าเข้าใจในกฎของกรรมเรารับผิดชอบเฉพ า, รา ก, กรรมเราตอนนั้นเองนะครักรรมกระดืนเราไม่ต้องรับผิดชอบหรอก็อทําดีเขาก็ได้ดีเขาทาชั่วเขา ก, ก็ได้ชั่วเราทําดีเราก็ได้ดีเราทําชั่วเราก็ได้ชั่วเรามาด้วยกรรมขก็เราเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมก็เราเราจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเราเพราะฉนั้นถ้าหากว่าทําอะไรไม่ได้นะในในสี่ข้อนั้น่ะก็ต้องทําใจให้อยู่โดยเบิกขาให้ได้ มันเป็นภารกิจสุดท้ายที่จะสงบจิตของเราเองเพราะถ้าหากว่าเราทำจิตไปได้แม้แต่เขาทำดีเนี่ยเราก็เปริษยาเขาก็แสดงว่าเขาได้ดีเราได้ชั่วเห็นว่าไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเรามาอยู่โดยเบรยคาเนี่ยมันไม่ถึงก็ได้กำไรแต่ก็ไม่ถึงก็ขาดทุน ทีนี้ถ้าเราอุเบกขาชัดเจนเนี่ยมันก็ได้กำไรเพราะอุเบกขาเป็นปัญญาที่จะทำหน้าที่กระจัดกิเลสประเภทโมหะให้จางคลายออกไปจากจิตใจของบุคคลทั้งฝั่งทำไมแต่หลวงปูพุทธานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูุ์ในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี